ความสงัดภายนอกก็ไม่กวนประสาทเสียงต่างๆไม่มีประสาทก็สงบไม่มีการกระทบกระเทือนกันการกระทบกระเทือนก็เป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ทางด้านจิตใจด้วยทางส่วนร่างกายด้วยความสงบสงัดภายในก็ไม่กวนใจ ใจที่ไม่สงบก็เพราะมีสิ่งรบกวนอยู่เสมอความรบกวนอยู่เสมอถ้าเป็นน้ำก็ต้องขุนอาบวนมากเป็นน้ำก็ขุนเป็นตมเป็นโคลนไปเลยนะแล้วอาบดื่มชานสอยอะไรก็ไม่ควรทั้งนั้นเพราะมันขุนมากจนเป็นตมเป็นโคลน จิตใจที่เป็นเช่นนั้นแสดงว่าใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ขนาดที่ถูกรบกวนจนกระทั่งถึงนตมเป็นโคลนอยู่ภายในจิตต้องแสดงความรุ่มร้อนให้เจ้าของปรากฏเป็นความทุกข์ความลำบากเราจะเอาความทุกข์ความลำบากนี้ไปใช้ประโยชน์อะไร โลกลัวกันทั้งนั้นความทุกข์ความลำบากความในจิตใจแล้วเราจะประทาประโยชน์ที่ไหนได้การแก้ไขไม่ให้มีอะไรกวนใจก็คือการระวังด้วยสติ้าจิตสงบก็สบาย เช่นเดียวกับน้ำที่ไม่มีอะไรบรบกวนแต่กรอนแม้จะมีก็นอนก้นไปหมดเพราะน้ำนิ่งไม่ถูกบรบกวนบ่อยๆพระพุทธเจ้าผู้ประธานพระโอวาไว่าทรงถือสำคัญอย่างยิ่งสำหรับใจคือเป็นอันดับแรก เรียนยานดูสัตว์วสัตวโลกในขณะที่กักสรุใหม่ๆก็เรียนเลยนยานดูจิตใจไม่ใช่เรียนยานดูความรู้วิชาฐานะสูงต่ำความมั่งมีดีจนของสัตว์โลกทั่วๆไปแต่ทรงเรียนยานถึงจิตใจเป็นสำคัญ สึ่งผู้ควรจะได้รับมรรคผลนิพพานในระยะรุดเร็วและจะมียนตรายมาทำลายเสียกว่าได้ในระยะเวลาอันสั้นหรือผู้มีอปนิสัยที่ควรจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้และไม่มยานตรายอะไร เหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่ทรงถือเรื่องจิตเป็นสำคัญเลงยานก็เลงดูจิตของศาตว์โลกไม่เลงดูอะไรควรจะได้บรรลุหรือไม่บรรลุหรือไม่ควรรับธรรมเลยเป็นปะทะประมะ คือมืดบอดทั้งกลางวันกลางคืนดินดินนั่งนอยเรียกว่ามืดแปดทิศแปดด้านไม่มีการสถานที่เข้ามาเปิดเข้ามาเบิกความมืดนั้นออกได้เลยมืดมิดปิดตาอยู่ภายในใจีดใจประเภทที่เป็นเช่นนี้พระองค์ก็ทรงชากทรงชักตะพานไม่ทรงสั่งสอนอะไรทั้งสิ้น ถ้าเป็นโรกก็คือโรคหมดหวังแต่ยาแต่หมอยังต้องเสียมันต้องยังต้องรักษาหมายาก ต, ต้องให้ออกเย็นเยนนอะไรไปพอถึงการนี่เป็นมายาดของมนุษย์เต่าที่ท้ายสวน พ, พุทธเจ้าไม่นสนพระไทยแม้อาจจะพูดบ้างก็เพียงไว้กิตยาของโลกที่สมมุติของโลกทนนั้นแต่สาหรับพระไทยจะ ไม่มีความมุ่งมั่นต่อรายเช่านั้นเลยท่านเรียกว่ารายปะทะปะละมะหรือประเภทไอซีูไม่มีทางแก้ไขรอเวลาอยู่เพียงเท่านั้นมีประเภทนี้ประเภทเ ท, ที่มืดบอดที่สุดท้อง์กอสงสรานี่ทราบที่จิตใจนั่นเองไม่ทราบที่ไหนเพราะมุ่งต่อจิตใจเป็นสาคัญ ศาสนาวางลงที่จิตใจของมนุษย์เป็นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดในโลกนี้ประเภทที่เป็นอุคติตันยูที่จะรู้ทำได้อย่างรวดเร็วเมื่อพระองค์ประทานทำให้เพียงยอดๆทท้านั้ น, น, นพระองค์ก็สงสาบและลองลงมาวิปจิตันยูอันนี้ก็สงสาบและทรงสรั่งสอน ด้วยธรรมะที่ควรแก่อุปนิสัยของรายนั้นๆ น, น, นยะคือผู้จะต้องได้สั่งสอนหลายครั้งหลายหนคือพอแนะนําสั่งสอนได้พอที่จะนําไปได้ถูดลากไปได้คุณย่งไงเนยะก็แปลว่าพอที่จะนําไปได้ถูไถไปได้ท่นเองไม่เหมือนประเภทที่ปัฏะปรามะคือนั่นนั่นหมด หมดหวังถึงจะลากไปไหนก็เหมือนกับลากคนตายไม่มีความรู้สึกอะไรเลยต้องใส่รถใส่ลาขึ้นเถอะเหาะโดิบินไปก็คือคนตายไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรที่เกี่ยวกับว่ายานที่จะนําไปนั้นนั้นคนประเภทนี้เป็นคนที่หมดหวังทงั้งๆที่มีชีวิตอยู่ก็หมดหวังหรือไม่มีอะไรสนใจเลย ไม่สนใจกับอะไรเลยชื่อขึ้นชื่อว่าอัจฉริธรรมพระองค์ทรงทราบหมดในบุคคลสี่จำพวกและทรงเรียนญานเป็นประจำที่เรียกว่าเป็นพุทธกิจคือกิจของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะจึงเรียกว่าพุทธกิจห้าประการข้อ น, นี้ก็เป็นข้อนหนึ่งที่พระองค์ทรงถือเป็นจิต มาประจำปราบาปเบวิโลกาลังวิเวีญาณดูสัตวโลกวาใรที่ข้องตาคาขายคือพยานของพระองค์ทำไม่ค้องก็ไม่เอานี่หมายถึงจิตทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจิตจึงเป็นพาชนะอันสำคัญอย่างยิ่งต่อธรรมทั้งหลายและจิตเป็นผู้บงการจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตได้ บงการอะไรแล้วกายวาจาจะต้องจะต้องหมุนไปตามนะเรื่องของใจที่บงการนั้นนั้เพ <ừ. S 1> ราะฉะนั้นท่านจึงสอนนายซะก่อนสอนหัวหน้าให้เข้าอกเข้าใจแล้วไปอบรมลูกน้องอืเมื่อหัวหน้าเข้าใจแล้วก็ไปอบรมสั่งสอนลูกน้องให้ดําเนินตามนี่เมือ่อสั่งสอนใจให้เข้าเข้าใจแล้วซึ่งเป็นหัวหน้าน สั่งสอนใจผู้เป็นหัวหน้าให้เป็นที่เ้าใจแล้วก็มาระมัดระวังรักษากายวาจาของตนเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติให้ดำเนินไปตามน่องรอยแห่นธรรมที่ท่านเพง่งสั่งสอนไว้ถือว่าดำเนินถูกต้องเพราะการอบรมทางด้านจิตใจได้รับมาพอสมควร ศาสนาธรรมจริงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงเราทุกคนมีจิตมีความรู้อยู่ทุกขณะไม่ว่าหลับหรือตื่นความรู้นั้นมีอยู่เป็นประจำไม่เคยจะละทานหายไปไหนเลยหลับสนิทไม่ใช่คนตายคนหลับสนิทติด ก, กันกับคนตาย เวลาเรานอนหลับสนิทเรายังรู้ว่าหลับสนิทตื่นขึ้นมาเราพูดได้เมื่อวันนี้นอนหลับสนิท ด, ดีเหลือเกินบางคนถึงกับพูดว่าแหมเมื่อคืนนี้นอนเหมือนตายเลยมันเหมือนจะเฉยกันไม่ตาย <c oughs> นักคือผู้รู้อันนี้มันเป็นอย่างมันละเอียดถึงขนาด น, นั้นแล้วฝันเรื่องอะไรก็พอตื่นขึ้นมาเขาพูดได้ถ้าสัญญาทําหน้าที่ให้คือความจำนะั่นแ่ะมันทําหน้าที่ให้แล้วก็พูดได้แต่สัญญาคือความจำํำ ไม่อาจทําหน้าที่ให้ได้คือมันหลงลืมไปเสียสิ่งที่เป็นไปแล้วนั้นมันก็เป็นไปเช่นอย่างเลยฝันเรื่องอะไรมันก็ฝันไปแล้วก็คือเกี่ยวกับเรื่องความรู้นั่นเองที่มันเป็นไปเช่นนั้นกายมันนอนอยู่ที่เฉยมันจะไปทํางานทําการปไปพบเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามเป็นเรื่องเป็นราวไปได้อย่างไงมันเป็นเรื่องของใจทั้งนั้นที่แสดงตัวออกไปให้เราจําได้ในขณะที่ตื่นขึ้นมาว่าวันคืนนี้ฝันเรื่องนั้นเรื่องนั้นนี่ มหมายถึงใจใจที่ที่ลงสู่พวังแห่งความหลับสนิทก็ไม่มีฝันนี่คือว่าเข้าสู่พลังแห่งความหลับคือพวังแห่งความหลับของจิตนี่มีถ้าหลับสนิทก็ทื่ว่าเข้าสู่พลังแห่งความหลับอย่างเต็มที่แล้วก็ ม, มีฝันอะไรตื่นขึ้นมาร่างกายก็มีกำลังจิตใจก็สดใส มันมีความทุกข์ความร้อนอะไรกําลังใจก็มีทันหลับไปแล้วฝันไปต่างๆคือจิตไม่ได้เข้าสูา่ภาวะแห่งความความหลักอย่างสนิทออกเที่ยวเล่ยๆลอนๆไปนี่หมายถึงเนื่งความฝันความรู้รับก็รู้ตื่นก็รู้เป็นแต่เพียงว่าสติจะตามทราบความรู้นั่นหรือไม่นี่สําคัญ ถ้ามีสติก็ตามทราบความรู้อันนั้นโดยลําดับจะแยกไปรู้กับสิ่งใดก็ทราบคนมีสติดีย่อมทราบทุกขณะอีกที่เคลื่อนไหวไปไปรู้เรื่องอะไรคนไม่มีสติก็มีแต่ความรู้ก็ไม่ทราบความหมายว่ามันรู้เรื่องอะไรบ้างถ้าไม่มีสติเป็นเป็นผู้คอยกํากับสติเป็นเครื่องท้ายตามตามจิตรักษาจิตเนี่ยอย่างคนบ้าคนเอาพูดง่ายๆว่าอย่างคนเป็นบ้า มันไม่มีสติมีแต่ความรู้จิตจะทําอะไรก็ทําไปตามภาษีภาษาแห่งคนรู้เฉยเฉยไม่มีสติรับผิดชอบว่าถูกหรือผิดประการใดบ้างไม่ใช่คนที่เป็นบ้านัน้นเป็นคนตายมันรู้เหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าไม่รู้ดีรู้ชั่วใรู้ผิดรู้ถูกอะไรทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่ารู้อยาทําอะไรก็ทําไปตามภาษีภาษานี่แหละความรู้แท้ความรู้ มันเป็นอย่างนั้นจิตนี้เป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีสติเป็นเครื่องรักษาแล้วจะไม่รู้เรื่องดีเรื่องชัว่ว เ, เรื่องถิกเรื่องถูกแล้วจะไม่มีการคาดควรอะไรลึกเกินอากละเอียดอะไรได้เลยถ้าไม่มีปัญญาแสงหนึ่งอะไรมีแต่ความรู้โดยลาพังก็เป็นอย่างที่ว่านี่เหมือนอย่างคนบ้านี่พอมีสติขึ้นมาคนบ้าก็ค่อยหายบ้าเพราะมีสติ รับทราบว่าผิดลิืถูกประการใดความรู้ที่ว่านี้ไม่ใช่ความรู้ที่บริสุทธิ์เป็นความความรู้ของสามัญชนทัธรรมดาและยังลดกว่าความรู้ของสามัญชนลงไปคือไม่มีสติความกากับรักษาจึงได้เป็นความรู้ประเภทบ้างคือไม่มีอะไรปกครองไม่มีอะไรรักษาไม่มีอะไรรับผิดชอบเลย มีแต่ความรู้เลยลำพั ง, งจึงเป็นเคียนนั้นถ้ามีสติสตางเป็นเครื่องกากับรักษาอยู่แล้วความรู้นั้นจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้พ่อมีพูดคอยชักจูงมีพูดคอยรั้งคอยคอยเล่งคอยรั้งเหมือนกับรถที่มีทั้งคันเร่งมีทั้งเบรกมีทั้งพวงมาลัยจะหมุนไปทางไหนก็ได้ด้วยสติด้วยปัญญา ที่ควบคุมจิตอยู่ตลอดเวลาส่วนจิตของท่านผู้ถึงความดุดพ้นแล้วนั้นไม่ชะจิตประเภทนี้ความรู้เฉยๆนั้นไม่มีความรู้เฉยๆที่ว่ามันมีจิตแหแ่งนั้นท่านไม่มีเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ล้นล้วนแต่ว่าท่านมีก็ติหรือท่านไม่มีสติ ท่านก็ไม่เสียสันท่านไม่ส้ำคัญร่างใหญ่ก็คือบริสุทธ์ร้วนๆแล้วนไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้ น, นจิตสามัญชนทั่วๆไปจึงจำต้องอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาถึงจะเป็นไปในทางที่ถูกที่ควรพิ็นการแสดงออกท่านมีสติมีปัญญาคอยควบคุมอยู่ ก็น่าดูสวยงามพูดก็มีเหตุมีผลทําอะไรก็มีเหตุมีผลหลักยิงขึ้นอยู่กับสติปัญญาเป็นสําคัญนี่เรานับถือพระพุทธศาสนาเราเป็นชาวพุทธคําว่าพุทธะหมายความว่าอะไรพุทธะเกี่ยวกทางสนนิษฐานมีนี้เป็นพุทธอันเลิ่โลก คือพุทธะที่บริสุทธิ์พุทธะที่ประเสริฐเราถือท่านผู้ประเสริฐหรือน้อมท่านผู้ประเสริฐมาไว้เป็นหลักใจมาเป็นเครื่องพึ่งพิงมาเป็นเครื่องอาศัยเราจึงควรจะเรารึกถึงความรู้ของเราเสมอว่าขณะใดได้บกพร่องไปบ้างสติสตังไม่มีเวลาโกรธก็โกรธมากเวลาชุนเชียวก็มากเวลารักก็มากชังก็มากเกลียดก็มากโกรธก็มาก คือความไม่มีสติรั้งถ้ามีสติรั้งแล้วลก็พอทราบได้จะย้งยั้งตัวได้ในปัจจุบันวันหนึ่งวันหนึ่งถ้ามีศาสนาอยู่ภายในใจจะทำหน้าที่การงานอะไรก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ค่อยผิดพลาดรเรื่องราวจะเกิดขึ้นภายในจิตใจ ก็มีสติปัญญากันกรองทิพิจรารณาพอทราบในทางถูกและผิดและพอพยายามแก้ไขดัดแปลงตนหรือหาเอาตัวรอดไปได้ปุณยังไงธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำคนให้ล่มจมแต่เป็นสิ่งที่จะชุดลากคนในเมื่อจะล่มจมหรือในเมื่อจะติดอุปสรรคอะไรโดยความทุกข์ความลำบากประการใด ธรรมะช่วยคือสติปัญญาเป็นสําคัญจิตเป็นรากฐานสําคัญในชีวิตขอให้พากันทราบอย่างถึงใจความรู้อันนี้ที่ประจําตัวของเรานี้แม้เราจะจับตัวความรู้ไม่ได้ก็ตามก็คือความรู้อันนี้แหละที่เป็นรากฐาน่งชีวิต และเป็นนักท่องเที่ยวในวัดตัดทั้งหลายแต่นานขนาดไหนก็คือผู้นี้จะสิ้นสุดวิมุตตัดเรื่องความวิมุติคือเกิดคือตายทั้งหมดออกได้ก็เพราะจิตดวงนี้ได้รับการอบรมซักฟอ ก, กอเชื้อที่เป็นภัยที่เป็นกําเหตดให้เกิดให้ตายอยู่ภายในจิตนั้นออกได้โดยไม่เหลือ อีกหมดเหตุหมดปัจจัยพวกนี้เป็นอันว่าหมดคำที่ว่านักท่องเที่ยวในเวลาที่มีกิเลสอยู่ภายในจิตใจนี้ไม่ว่าใครทั้งนั้นเตรียมพร้อมอยู่เสมอที่จะไปจะเกิดเรื่องต่างๆภายในจิตใจเึงข่อนให้ทำคำาวามระมัดระวัง ศึกษาเรื่องของจิตให้เพียงพอถูกต้องกับหลักของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนอกจากนั้นเรายังจะนําอัตธรรมนี้ไปใช้เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสังคมกว้างแคบได้ตามกําลังความสามารถของเราอีกด้วยศาสนาเป็นเครื่องเทิดทูนเป็นเครื่องพยุงโลกให้มีความสงบร่มเย็นไม่ใช่เป็นเครื่องกดทุวงดังที่ส่วนมากเข้าใจกันมีจํำนวนไม่น้อยเหมือนกัน ว่าศาสนาเป็นเครื่องกดทวงความเจริญของโลกก็คือผู้ที่ว่านั้นเองเป็นผู้กดทวงตัวเองและความเจริญของโลกไม่ใช่ผู้อื่อนผู้ใดพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้กดทวงโลกธรรมไม่จะทํากดทวงโลกพระสงฆ์ไม่จะเป็นผู้กดทวงโลกไม่เป็นภัยต่อโลกเมื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่เป็นภัยต่อโลกแล้วจะว่าเป็น สิ่งที่โลกน่ากลัวได้อย่างไงจะกดทวงโลกได้อย่างไรจะทําความทุกข์ร้อนให้ร้อนให้แก่โลกได้อย่างไรความสําคัญความคิดเช่นนั้นของบุคคลผู้นั้นแหละคือความเป็นภัยแท้คนใดที่หลงผิดไปตามนั้นคนนั้นก็ต้องเป็นภัยไปและมีความเชื่อถือในคำเช่นนั้นของบุคคลที่เป็นภัยนั้นก็ย่อมมีความระบาดไปเรื่อยๆ สากระจายไปหมดนั่นแหละคือภัยิศฐานธรรมไม่ได้เป็นไพริถ้าว่าเป็นภัยแล้วพระพุทธเจ้าจะวิเศษได้ยังไงอืถ้าทำเป็นไพริพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นภัยต่อพระองค์เองและต่อโลกถ้าสมก็ต้องเป็นไพรินี่ไม่ปรากฏส่วนมากคนไม่มีธรรมนั่งเป็นภัยิศแต่ตัวเองนั่งอยู่ก็เป็นยืนอยู่ก็เป็นเดินอยู่ก็เป็นนอนอยู่ก็เป็นฟังเรื่องดีเรื่องชั่วก็เป็น มันนังมีความสําคัญขึ้นภายในจิตใจอันเป็นตัวไัยเพราะสติปัญญาไม่มียึดถือสิ่งต่างๆรักก็เป็นภัยเบียดก็เป็นไัยโกรธก็เป็นไัยชังก็เป็นไัยอะไรๆเป็นภัยหมดเพราะจิตเป็นตัวไัยเผาร้นตัวเองสหรับเวลาผู้นี้แหละคือผู้เป็นไัยสิ่งนี้เป็นเรื่องสกปรกเป็นเรื่องต่ําช้าเลวทรามเป็นไฟเผาจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนอยู่เสมอ อันนี้แลคือตัวภยัยฐานธรรมปซึ่งเป็นเครื่องแก้สิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายดังกล่าวมา น, นี้จะเป็นภัยได้อย่างไงหากว่าเป็นภัยแล้วทำจะแก้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรถ้าพระพุทธเจ้าทรงแก้ได้แลโดยสิ้นเฉิงไม่มีสินในเหลือในพระไทยัยขึ้นชื่อว่าภัยดังที่กล่าวมา น, นี้จนเป็นผู้บริสุทธิ์ิมุตต์พุทโธทั้งโดวงนันเรียกว่าเป็นผู้เลิศผู้พระเสด็จ ทำของพระพุทพระองค์ก็เหมือนกันที่ว่าธทำโมปีโปความสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ภายใ น, นจิตทั้งโคก็เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความสว่างกระจ่างแจ้งความบริสุทธิ์ลิมุตนี่จะผู้ปราศจากภายแล้วทั้งหมดนำศาสนาอัสาสนหาานธรรมที่ปราศจากภายที่บริสุทธิ์นั้นมาสอนโลกทํำไมศาสนาจะเป็นเครื่องกดทวงโลกเพื่อชยต่อโลกนี่อย่างที่ไหนที่ไหนนอกจากโลกผู้สําคัญ ว่าศาสนาเป็นภัยนั้นเท่านั้นเป็นตัวภัยแก่คนเดินและเป็นภัยต่อสังคมไม่มีอันใดที่จะเป็นไปเพราะความสำคัญเช่นนี้เป็นความสําคัญที่ผิดอะไรที่ทำให้ผิดก็คือเรื่องความคิดและหัวใจที่เป็นบ่อเกิดแห่งความคิดนั่นแหละมันเป็นตัวเป็นต้นเหตุแห่งความผิดหรือเป็นผู้ผิดการแสดงออกมาอย่างนั้นจึงเป็นความผิดทั้งนั้นหากไม่เป็นความผิดเราลองเอาความคิดเช่นนี้ไปใช้ในโลกดูดิ โลกไหนจะไม่ร้อนเป็นพืน้นเป็นไฟไม่มีแม้ตัวเองก็ยังร้อนหากว่านําศาสนาไปสอนโลกตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรง ส, งสอนและทรงบำเพ็ญมาแล้วจนในตรัสรู้แล้วโลกจะเป็นภัยอย่างนั้นหรือโลกจะเดือดร้อนอย่างนั้นได้ยังไงโลกมันวุ่นวายกันมันถึงเกิดความทุกข์ความร้อนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้วุ่นวายสอนให้มีความสงบร่มเย็นให้เห็นอกเห็นใจกันให้รู้จักเหตุจากผลรู้จักเขาจากเราโลกอยู่ด้วยกัน ไม่ใช่คนหนึ่งคนเดียวอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะมากน้อยตั้งเป็นบ้านเป็นครอบครัวเป็นตำบลหมู่บ้านเป็นอำเภอเป็นจังหวัดเป็นมณฑลเป็นประเทศนั้นประเทศนี้ล้วนแล้วตั้งแต่หมู่ชนทั้งนั้นคนที่อยู่ด้วยกันไม่เห็นอกเห็นใจกันมีแต่ความเบียดเบียนทำลายความเห็นแก่ตัวความพักแยกก็เป็นเหตุที่จะให้ทำลายคนอื่นได้ เส็นเหตุที่แค่เกิดความกระทบกระเทือนคนอื่นได้ตามแต่อุบายวิธีของที่ตนเห็นว่าชอบธทำ<ม>คำว่าชอบทำของผู้นี้คือชอบธทำของกิเลกมาตนจะได้รับความดีความเด่นความมั่งมีสีสุขจะมีคือเสียงเกียรติยศมากน้อยเพียงไรด้วยการกระทําเช่นนั้นเป็นที่พอใจในการที่จะต้องทํำน ล, ลกก็ร้อนเพราะเห็ุนี้เองเพราะจิตใจของใครๆก็ มีต้องการอิสรภาพเช่นเดียวกันและมีคุณค่าเช่นเดียวกันแม้แต่สัตว์เขายัางตัวตายเขาังกลัวความเหบียดเบียนเหตุใดมนุษย์อยู่ด้วยกันไม่กลัวความเบียดเบี ย, น, น, ย, ย น, นไม่กลัวการทำลายไม่กลัวการดูถูกเหยียดหยามกันเมีเหรือให้ไม่ตาดทนากันทั้งโลกความที่ทําให้เกิดความก้าวร้าวเกเีืยงซึ่งกันกั น, น, กนจนโลกหาความสงบไม่ได้เป็นเพลนเป็นไจอยู่โดยลําดับมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะเป็นไปโดยลําดับไม่มีที่สิ้นสุด นี่เพราะเหตุอะไรเพราะอะไรเป็นสาเหตุถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวอันเป็นเรื่องของขีเดเลือดล้วนๆนี้จะเป็นเรื่องของอายพระพุทธเจ้าท่านสอนได้หมดท่านมีพระเมตตาหมดจนกระทั่งถึงสัตว์ทุกตัวไม่ให้มีการเหยียดหยามหรือดูถูกไม่หมีการทำลายหให้มีถือเป็นความเสมอภาคในคำว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจิดตายด้วยการหมดทั้งสิ้นหนั ให้ความเสมอภาคด้วยกัน่าเป็นเพื่อนทุกข์เกิเจ็เจ็คลายด้วยกันไม่ให้เบียดเบียนทำลายกันเมื่อต่างคนต่างเห็นความสําคัญของชีวิตจิตใจของ ก, อ า, การันตกันเช่นี้แล้วจะเบียดเบียนกันลงได้เบียดเบียนกันไม่ลงเมื่อไม่ต่างคนต่างเห็ น, หนกันมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วโลกมันก็เย็นเ อ, อมีผิดมีถูกเป็นหลักเป็นเป็นกฎเป็นเกณฑ์ต่างคนตั้งระมัดระวังไม่ต้องหาเรื่องหลบปลีกปิปดกฎหมายปีกความจริง เลี่ยงตัวไปต่างๆนานาดังที่เป็นหรือเวลานี้หรือที่เป็นมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้คือไม่ยอมรับความจริงไปฉกไปลักเขามาเท่าไหร่ก็ว่าเขาหาเขาหาเห็นดูสิคนเราถ้ายอมรับความจริงแล้วจะว่าเขาหาอะไรติดคุกติดตารางอยู่นี้เราไปถามดูนี่ว่านี่เป็นอะไรถึงต้องมาติดคุกติดตารางเขาหาว่าผมลักควายเป็นต้น แล้วเักาเขาจริงๆหรือรักจริงๆเนี่รักจริงๆทำไมว่าเขาหาก็คือความมายอมรับความจริงความเห็นแก่ตัวนั่นเองหลังนี้มันเป็นเรื่องของเจเลตเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องสขุขภพตกเป็นเรื่องกดทวงเป็นเรื่องทําลายจิตใจแล้วก็หมัดของกันละกันมีมากน้อยเป็นการทําทําให้กระทบกระเทือนและเป็นความทิ่หายแก่ผู้อื่นได้อันนี้เหลือ ที่โลกจะเดินด้วยอันนี้หรืออันนี้หรือเรื่องไม่กดถ่วงกันแลกกันไม่กดถ่วงโลกไม่กดท่วงโลกยังไงมันร้อนเป็นเพลนไฟยังไม่เท่้ามันกดถ่วงกันอยู่เลยนั่นในศาสนามีบทใดบาทใดที่สอนโลกให้มีความเดียดเบียดเกิดความเดือดร้อนรุ่ายกันอย่างนี้ไม่ปรากรเลยเพตุใดศาสนาจึงจะเป็ น, เ, ป น, เ, ปนเครื่องกดถ่วงโลกได้ล่ะนอกจากตัวเองกดถ่วงตัวเองไม่เท่านั้น ทีนี้เรานํามันนี้มาปฏิบัติในจิตใจของเราโอปัญญิกการแสดงธรรมนี้มีทั้งข้างนอกข้างในข้อสนมันก็คือว่าจะน้อมเข้ามาเป็นสานะสําหรับเราแยกข้างนอกให้ดูซะก่อนข้างในของเราเวลานี้มีอะไรกดท่วงขิตใจเราถ้าไม่ใช่กิเลสจะเป็นอะไรทําไม่เคยกดท่วงขณะใดที่สติปัญญาปราศจากใจขณะนั้นแหละเราได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนถูกกดท่วงย่ำยีโดยอาการต่างๆจากกิเลสทั้งหลาย ถ้ากขณะใ ด, ดมีสติมีปัญญาแม้จะไม่เพียงพอต้านกับความต้านทานหรือปราบถึงนั้นให้หมดแต่ก็ตามเรายังพอยับยั้งได้ไม่ทุกถึงขนาดหรือไม่ทุกเต็มที่เต็มแดงนังพอลดหย่อนผ่อนผันกันบ้างยิ่งเรามีสติปัญญาพอตัวด้วยแล้วไม่มีอะไรที่จะมาเป็นท่าศึกต่อใจได้เลยนี่แหละทำครองใจเป็นอย่างนี้ใจเป็นอิสระได้เพราะทำครองใจ ใจเป็นอิสระใจมีความสงบสุกได้เพราะการรักษาใจด้วยธรรมตลอดถึงความอุดพ้นจากการกดทวงทั้งหลายโดยประการทั้งปวงเพราะการปฏิบัติธรรมเพราะรู้ธรรมเพราะเห็นธรรมนะทำอยู่ในสถานที่ใดต้องเย็นในสถานที่นั้นทำอยู่ที่ใจใจจะร้อนได้อย่างไรทำอยู่ที่เจนที่ใจต้องยินใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจยิ่งเย็นไม่มีการสถานที่กรรมาเกี่ยวข้องเลย เย็นเต็มพี่เต็มฐานก็คือใจเป็นธรรมธรรเป็นใจเนี่ยเราหาเราลองคิดดูดีว่าทําบทใดแงใดที่ทําความปวดถ่วงทําโลกโลกให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ปรากฏแม้นิดหนึ่งก็ไม่มีแม้แต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นกิเลสมีมากน้อยแสดงให้เห็นชัดเจนภายในตัวของเราเองเพราะนั้นเราต้องตั้งป้อมให้ดีพยายามกําจัดพยายามต่อสู้กับเรื่องกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในตัว เราอยาให้มันกล่อมถ้าหลับทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนมันเอาให้มันมีเวลาตื่นบ้างแล้วมีเวลาต่อสู้กขาเขาบ้างถ้าหากมีการต่อสู้กันแล้วคําว่าแพ้ชนะก็จะปรากฏขึ้นมาไม่ราบแค่ทีเดียวคําว่าราบทีเดียวคือหมอบราบแค่ทเดียวเพราะไม่มีทางต่อสู้มีจะหมอบราบเชื่อไปหมดที่เรียกว่าไงเชื่อไปหมดเชื่อไปหมดถ้า ม, มีการต่อสู้ก็มี แพ้มีชนะต่อไปก็ชนะเรื่อยๆแล้วชนะไปเรื่อยๆชนะไปเลยเป็นอิสระเต็มภูมิมีอำนาจแห่งศาสนธรรมที่ผู้นำมาปฏิบัติเป็นอย่างนี้แฟนที่เชื่อใจเป็นที่แน่ใจได้ไม่มีอะไรที่จะแน่ใจได้ไดยิ่งกว่าศาสนาธรรมเราปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถของเราเราก็แน่ใจเราได้ หาเต็มที่จริงๆก็คือจิตบริสุทธิ์แล้วแน่ตลอดเลยล่ะไม่สงสัยไม่อยากกับอะไรทั้งนั้นไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากศึกษากับใครๆว่ า, น, า, น, า น, น, น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้อยากรู้นั้นอยากเห็นนีน้เพื่อนั้นเพื่อนี้อีกต่อไปไม่มีรู้จะกทุกสิ่งทุกอย่างภายา จ, จิตใจเต็มภูมิความรู้ความเห็นแล้วก็ไ ม, มาอ่ามมาอยากความไม่ยยไมยอยา ก, กลวนะความไม่หิ้หวยไม่มีอะไรรบกวนก็แสนสบาย ขอให้พากันนำธรรมะนี้ไปปฏิบัติรักษาตนดู่สฐานที่ใดไปสฐานที่ใดก็ตามให้ทราบเสมอว่าความผิดถูกถูกดีนั้นอยู่กับเราการแก้ไขสิ่งเหล่านี้หรือการส่งเสริมสิ่งที่ควรส่งเสริมการแก้ไขดัดแปลงหรือทำละสะสมสิ่งที่ควรทำละก็อยู่ที่ตัวของเราไปไหนให้มีวดัดให้ปัสสากวาดัด อย่างท่านอาจารย์พันเคยว่าวัดที่ตันวัดที่หน่งวัดอยู่ภายในใจน่ะท่านพูดก็พูกดมีวัดอยู่ภายในจิตใจเสมอว่าจะปฏิบัติมีสติมีปัญญามีศรัทธาความเพียรไข้ควรดูเหตุดูผลนั่งรถไปก็ภาวนาไปเรื่อยๆน่ะใครจะว่าบ้ากก็ตามว่าบอก็ตามข้ออสัมพันธ์ผู้รับผิดชอบเรานี่คือเราเองอย่าเป็นบ้ากว่าแล้วกันถ้าเราไม่เป็นบ้าเราเป็นร้อยร้อยคนจะมาว่าก็ตามมันมันมันบ้าทั้งนั้นอ่ะคนร้อยคนนั้นร้อยร้อยคนนั้นอ่ะ เราไม่บ้าแค่คนเดียวเราก็สบายอันนี้เป็นจุดสําคัญพากันนำอันนี้ไ ป, ปพูดปฏิบัติเวลาถูกใครว่าอะไรๆก็ให้คํานึงถึงพระพุทธเจ้าอย่าไปส่วนโกรธ่วนวิวให้เขาไม่พอใจเขาเขาความโกรธให้เขามันก็คือไฟเผาตัวเองความไม่พอใจในเขาก็คือไฟเผาตัวเองไม่ใช่เผาที่ไหนมันเผาที่นี่ก่อนมันจึงไปเผาที่อื่นให้สามารระวังไฟกองนี้อย่าให้เกิด แล้วก็จะเป็นสุขโตนั่งรถนั่งลาแ้วก็สุขโตไปเรื่อยนั่งอยู่ในบ้านกอบสุขโตอยู่ก็สบายอยู่ที่ไหนก็นสบายหาลนะแสงแสดงคำก็เห็นว่าสมควร